ฟมดังแั่สังทุกคนแล้วเข้าใจความหมายนันๆไม่มีก็คือนำเรื่องที่ทุกคนต้องสารอลองอ้อนวอนอยู่แตที่นั้นก็ยังไม่เคยได้รับและอย่างว่าเคยมีผู้ใดเอามาให้ เอากันอยางห่หอรองอ้อเหวอนอยู่อย่างนั้นเพราะเสจักเถื่อนซึ่งที่เอาข่อรองอ้งมอมหวานนั้นฆ่าโมได้รับและพวกก็ดมาหายนั้นขึน้นขับไปเพื่อนเนย้มันได้ประโยชน์อะไรที่ห่อรองอ้อเหวานนันดังนั้นการําซึ่งซึ่งนั้นแหละคือว่าขขเขาโรู้เขาโบเข้าใจ เขาจะหอรองอ้อ น, นหวา น, นแล้วมดวแล้วหลักประบยอย่างนั้นอว่าเขาซึ่งกับซึ่งเหล่านั้นเขารู้จักคาว่าซึ่งกับซึ่งเหล่านั้นอันบุกุศนั้นท้าๆคือว่าเขาโงกพมีคมรู้หรือว่ามุ่ยตําญาหรือว่า เขาเคยรู้กเคยเห็เสียเลยใช่ไหมใงสิ่งนั้นและกเคยได้ยนินก็เดินมาบอกมากราวเาเสียเลยจึิงนั้นเขาก็เลยไปตามตามกันมาดังนั้นสึ่งที่เขาขอร้องอ้อนอนนั้นคือธรรมะเขาอยากได้ธรรมะ ม, มาแล้วก็โตขแล้วเาก็อยากเห็นธรรมะที่พระพรเจ้าเป็นแนะนำผ่านต่อพระ้นั้น วเขาบูว่าทำมากสูงพระเจ้าสอนเอหนห้วยองทันใดอขาโบลูในนั้นเขาจึงห่อ ร, ร, รองห้องอย่างดูโบาวจักรเยี่ยแล้วก็าจะควได้รับักรเยเพระเขาโบูเลยเอ่ยวาประมาให้ดังดังที่เขาโบเคยสุงเขาเ็นคนกอดเพชอยู่เขาก็เอามาใส่โบได้เพราะเขาโบจวัสด แตคนจิ้งเก็ดนั่ น, นดีมีราคามา้อห้าคนรู้ค้ได้เห็นูได้เข้าใจนามาใส่ได้กับชีวิตเอาไปซื้อไปขายก็ได้มีราคาเสียงมากถี่ถุกเกินเมื่อบุคคลผู้ที่เป็นรรู้นั่นเองไอ่เหุก็เลยเอาบปได้คนที่รู้นั่เป็นภาจเข้าใจใจได้รู้ทำทำมากรม่ปฏิบัติริง ห, ห่อองอ้นวอนอยู่ตนี้ เขาโบลูเขาจะขอลองอ้านวอ <c oughs> บว่าคนตื่นผมเองผมกบโลูจะขอโ บ, ค บ, ค บ, ค บ, คบคเครู้โบเคยเห็นโบเคยเข้าใจว่าธรรมะคืออย่างนีกส็สอนด้อันใดโบเข้าใจกัน์ปอต่มาเมื่อผมต ะ, จะลุยสมาธิตะลุยสมาธิตะลุปัญญาให้มีงานปัญญาตัวิี รู้งานขางวิชาภิกษุเลอรู้เลยเห็นเลเข้าจยักว่ขึ้นขึ้นนี้มันมีกับตัวไรแล้วหมต้องไปขอร้องฟ้อนวงกับใครที่ไหนเลยถ้าไปขอร้องฟ้อนวงกับคนอื่นองม่มีทางที่จะรู้ได้จริงๆแง่พระพุทธเจ้าเอง เขาเอข้างของบูได้เขาต้องรู้เองเองเองเข้าใจเองเขาเคยได้ยินเพราะจำในพระกัลปิสพระยูกัลปุตเจ้าพระกัลิตก็ได้ยินพระกุตเจ้าราะว่าขาดูตัวรูปกายภายนอกคือเขาจว่าลูกกายภายนอกคือเป็นัตถอันชนด้วยตาเนีเป็นพระกุตเจ้า Ah พูดได้เห็นทำพูดนั้เห็นเล่าพูดได้เห็นเล่าพูไเห็นทํพูดไดห็นทพูดได้เห็นไล่า่เห็นตัวเอานี่มันผูกเหนามกระตุตัวเหากำลังนั่งพูดคุยกันคิดนั่งคิดนี่ น, นี่แหละธม bueno. นะธรมะนันคมีามทด้วยกันทำดีทำโดยใ ทำตัวทดีตยทำน like, you know. ้อยทำดีทำัวเป็นหน้าเอาเคได้ว่าทำดีดีจะทำดพูดดแบบนี้พูดออกพูดพูดัแบบนพูดตัวทำน้อแบบติัว จิดใจคุดรากุาหูใส่ลางสายอรูปมามให้พับคุดง่ายในนั้นทำมานั้นคือว่าถ้าหา้ากม่มีสติไม่มีสมาธิไณ่มีปัญญาเขจสงบขวมโรกข่โกทุกอย่างในี้ได้ปัญญาเพรกะคือ <ME> เมื่อเขาละงอักทำให้จหิตใจเขาสงบ ญาโหตอโหหะโลภะแล้วมีนามปัญญาเลื่อนนามที่พัฒนาการเกิดขึ้นให้ดูแ้งดูจริงหูแจ้ิงเข้าใจแกลเข้าใจจริงซึ่งโดยที่ไม่หวั่นไหวมองว่าเมือผ่อนแหงต่อขับพูดของไทยเพราะเราได้ศึกษามหานผู้ใจ ผูดใดเห็นธรรมผนั้นเห็นเราตัก้อนนั้นบอกใหาใจเนธรรมก็ต้องเห็นพระพุเจ้าเมื่ว่าตัวเห็นพระพเจ้าเห็นเราเห็นพระเจ้าเปเทวดาเป็นตัวนี่ยเป็นการเข้าใจผู้ทู่รับใจเห็นธรรมก็เห็นตัวเอาเหนเราก็เห็นตัวเองเห็นอันดีอันนี้เห็นธรรมเป็นเราเห็นพระประภคคุณคำนี้คำนี้ผู้ดเห็นธรรมผูดนั้นเห็นประภคค กู้ใดปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าก็ต้องเห็ุตามแด่พระพุทธเจ้านะั่นน้ที่ใช่ใดนือที่คลุกคลาคำว่าปฏิบัติตามแบบพระพุทธเจ้าและบริิ์พระพุทธเจ้าเท่าน้นนี่คนจริงมาเ ล, ล่าสู่กันฉะนั้นเขาทำบุญให้ทานให้ลักศาสนงเขาบริบูรณ กกเขาหักอยากเกิดแ็ทำตายเพื่อคนเขาฐานบุญเขาฐานอะไรสิตาถนัดไสเกิดมือสลับไปเกิดมือผฐานพุดธเนะี่ยอันนี้แสดงว่าหกาบุญทำงานจริงใจในยามตายบุญอยากตายก็อยากเกิดมันมีด้านานโลกนี้ ล้วทุกขกันดีที่พวกเราฟังบ่เมิอมาที่ว่ามาแลกมาล้วมาลไม่เงี้เอาคนจริงมาเล่าสู้กันฟังคนเรามันเข้าใจจิงเมื่อเข้าใจจิงแล้วปฏิบัติตัวกตินก ค, คนคือรับกวาิดเมื่อเข้าใจผูกแล้วปฏิบัติโกถูก ค, คนองมากรรลักถูก เมื่อแสดงยาเราจะเข้าใจไปไหมคำขอขอพระบุญาของพระเจ้ากระยาคุณเราบอเข้าใจไปไหมน้อยคนเข้าใจน้อยคนบอกเข้าใจมาเมื่อจะให้ทานรักษาจุตยุคอตามจะเรียรสมาานจะเรียนพัฒนายู่ก็ตามบอกเข้าใจน้อยคนที่สุดที่เข้าใจอย่างจิตหยดน ตัวผมว่านี่อา จ, จทุกิดจะคิดคเข้าใจ แ, แ, แทแทนนสี่น้องทุจกจกคนเข้าใจของมอู่เพื่อนทุดแทนแผมากาล้าืนยานรับรองในยนวคาพูดของผมเองผมกล้าได้เพาผมเชื่อมั่นในตัวเองแลก่อนผมจะเข้าใจอย่างดีคี่ทวา นายลกสะวันตายแล้วตื่นผมบเคอลใจก็แค่เมื่ อ, บบอนี้ผมเข้าใจที่เทวดานายลกสะวันตายแล้วเื่นผมเข้าใจผมจึงว่าโบ ส, งสบง่งใปโบงงอนเง่งหอนแขอและกระบอกห่อรองอ้อนหย่อนจาอนออ่าอะไรก็พอเวลาพราพุทธเจ้าพุ่งสอดแล้ว ให้เจริญสติให้เจริญสมาธิให้เจริญปัญญาเมื่อเจริญสติเจริญสมาธิจเจริญปัญญายางถูกต้องแล้วรูปปัจจานาณเกิดขึ้นเขา ด, ดูแ้งดูจริงดูแ้ง ด, งดูน่ปนวางเองาลวงภาวะหนึ่งสะอนุมมือตืออยู่ในจิตในใจเยนี้ผก็โดนมือื้อในจิตใ้ใจ ผมมีคนสว่างมีคนสห็นแจ้งอยู่ในใจพูดง่ายๆด้วยวันมีตาชุดรายละเอยมีหูชุดรายละเอียดคำว่าตาชุดนั้นส่วนมาผมเข้าใจนั่งที่นี่เนี่ยมองเห็นพูนเหดนรถะั้ยเห็นคผู้ใดทํอยู่ที่ใดดีตัวไปเห็นทุกน ตองความเข้าใจของเขาความจริงและศาสตร์ที่ไมงจรงตัวเขากำลังนึกก ำ, กำลังพิดกำลังพูดกำลังเล่ากำลังทำการทำงานทุกที่นี่เลยต่างผิ ด, ดจพดพดดิพูดทีฟังคาพูดของผู้ใดพูดคือพูดตัวพูดเปนธรรมะหรือพูดว็นธรรมะ พูดซึ่งซึ่งที่มันมีหรือซึ่งที่มันบ่มีที่เขากำลังตั้งใจที่นะคูดบค้ณเขารู้เลยลือเขาบูรู้ผู้จับหุรู้สั่งแอร์เนดังนั้นเพื่อนำมาเล่าให้ฟังถ้าอยากรู้ธรรมะเนี่ยให้รู้สุขนี้ลองบางนี้จํามือรู้สึกบอ รู้สึกความบุรู้สุดใสๆสเยดมือรู้สึกเนือรู้สึกความบุรู้สุดใสใสมันความรู้สึกนี่แหละรู้สึก Lis น้อยอันนี้แหละมันจะขาดสุกรายมากมาและมันจะไปรู้ความมันจะปนไปไล่ความบรูษ น, นั่นหีเพราะความบรู้นั้ น, นเป็นัลากเงาของบาปเป็นลากเงาของผมตัว เป็นลากเงาของความผ้ดรอความูู้ทางมะเป็นเอวิชาเว่าไม่รู้แบบนี้ลากเงาของบุคือวิชาเวผูรู้อนรู้จ้งรู้จริงเป็นวาลกเงาอบุลากเงาของสิลักเงาของทุกสิ่งทุกอย่างเป็นควมรู้คือวิชาเวราดูแจ้งดูจิงเขาใจจ้งเข้าใจจริงอันนี้เป็นเงวิชา เมื่อพูดถึงเรื่องนี้ผมจึงนำเรื่องนึงมาเล่าสู่ังสมัยผมตุนเมืผมอ่านหนังสือสองสัทานแล้เอาเขาไปช่อบา้าเมื่อหนึ่งสอนเ้าใส่ภาล์หกต่อเอาเขาไปช่จงจังหวังจ้องหัวให้ตัวสอนเ้าในภาลอันนี้หกหาตอ แลืไปช่วงพูนนี่รวยเมื่ถลาอนี้ส่งครักเขาเมือไปตักบาตเมื่อเขานี่ทุกคนละ่ะขบาเนี่ยเขาใกลามาแล้วจบาดได้ถลาอนี้สง่งขบักไปแล้วขึ้มานี่ทุกคนทุกคนละ่ะเราช่งจังหังเมื่อเขานีด้ลาไปแล้วลับตุนไปแล้วแล้วก็ทุกคนที่มานี่ ทราส่งเทวยาไปพละอันนี้คือขับไปแล้วไปไปแล้วแต่เราเข้าใจบ่าขับมึ่นคืออย่างยูไก่สมรัถภัพนึงอ้วงลอยโงดลึกลอยโยดรอยที่ของเมืองโขดจุดสีที่ต้องถือพดาทีนึงพระดาที่อาพระอ่อนนั้นพรวดาที่างนี้ทำงานัันไปขึ้นโดยคุณม ถ้ามันห้าเงี่ยเงี่ยน้มคือนากรนส่ตรักเป็นปากหนึ่งโทโทรทรว่องลอยโง่ลอยโง่ร้อยปีองเมืองคนเขานี่จริงจนิงนี่ที่เป็นชีวิตของเทวดาหนึ่สีวิตเวดาจึงจะเอาเม็ดบางนาไปขึ้นติดนึ่งเมดและมันขึ้นติดได้หมดและคนเขามีอายุเพียงสามสิบสี่สิบสี่สิบสี่แปดสิบสี่ยังมาลอยตี ไอ้เ็มดเดียวนี่เท่านั้นและต า, ตาตตทีตื่ที่เปนดเ่วตงอัดยาตาพะเต้าเันน่ขนะึ้นไปมนใมาื่นไหลนอนตื่นนึ่งบัน้อาที่เป็นดนี้มดนี้ที่ภูกรดาหรืนนึเขานี่ขึน้นเปดหนึ่งล้อยตีมันกบ่ตื่นนะมืดอัารอยนิขึ้น่ยากาามดตื่นบ่เต้นกูเหออันนี้แสดว่าหาบหมดหาจ เขาขอเข้าใจใหม่มาเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญานเนี่ยให้มันสมบูรณ์ขกมือขึ้นรู้สิบตัวคว่ำมือลงรู้สิบตัวยกมือไปรู้สิบตัวเอามือมาลูสิบตัวเดินหน้าไปหลังรู้สิบตัวต้มเงยรู้สิบตัวเอียงซ้ายเอียงขวารู้รู้สิบตัว ทุกตาอ้าปากรู้สิบตัวคลืนน้าลายพานลงไปใ น, นำลำคอในรูสิบตัวหายใจเข้าหายใจออกรู้สิบตัวจิกใจมันนึกมันคุกมันรูสิบตัวผัวขพงทุกอิรยาบทนี่แหละอันนี้เลือเ่อวือมันเติคมคนเมืต์นมตต์งานอันนั้นอันครนูสิกตัวนี่มันเต ถ้ามันเติมมันกเป็นขับมนึงอันนี้แบบเรื่องูนย์บดหากก้าเพียเียงงามถึงน้าหอ ง, จจงได้วยคนถ้าห้ามีสติศูนย์บุญแล้วยู่ดีกินดีไปดีมาดีว่าทะเลาิดเทียวพอมือที่นอนด้านเหนืองว่เลาะติดเที่ยเพราะว่าเบิ่ตัวเองไม่ถึงตัวเ อ, ง, ง, ว อ, ง, ง, วอง่ลืมโตให้ไว้ได้ไปพอเมื่อว่าให้เหวมึงจะลืมโซเด้อ อันลืมตันี่ผมไม่ลืมตัวเขนาน่งโบุกเทนเน่อยู่นี่เลยบางคนอาจจะลืมก็ได้ลืมตี่าาถามเปื้องแรกโบุกอจากพอรูพอดนามพอดทรมากทำแต่ข้อของโคจุกอยากจะข้นอะไรแต่ว่าเขาลืมโคบุูอยากโคบุกอากว่าตัวเองเป็นรูกเป็นนามเป็นลูกทำเป็นนามทำโคบุกอยากเห็นแตเพิ่งโคบุกอกเมื่ออยุคื้น16ปีมานี้เลยนี่แหละ การทำาุกพูดทุกทิกทุกสติ บ, าาบัตกรอทูกพลนออกมาก็ได้รับทุกท้องจริงๆทุกเพราะว่าเราขอร อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ, องอ้อนวอนมาทำมาคำสอนขอปริญญานัน้นจะเดยนี้บบทุกแล้วเดีดยวต้องไป่ขอรองอ้อนวอนจากผู้ใดแล้คธรรมะคำสอนขอปริญญานั้นสอนก็เข้าใจแล้วดี๋ยสอให้เขาละ เมลยว่าละตัวทําดีปไปเนี่ยอันนั่นกระทู้อันสองให้หละตัวทําดีเ น, นกระทู้แต่ละยังไงเขามันมั น, ม, นมันบุกุศลกระตุ้งอุดเอาแล้วหายตัเขาถือิษย์เ ง, งี้ยศิษยนเขาลักซาบเขลักษาปานาใบข้าศอกขึ้นานาใบหลักของผู้อื่นการาในวัฏวิทยฤศิในลูกในเมียของผู้อื่น มุตาบ่โอโกหกบรลกร้วงสุลาบ่อตุนน้ำเมากินเหล้าเครื่องดองของเหมาทุกประเภทแล้วเขายังสูบยาแกล้มกกินเหล้าเขาเป็นอันนั้นเป็นเครื่องดองของเหมาหมกมุนอยู่ในสิตใจพมสูบบุหรี่แต่ทอพอแหน้ที่น้องเขาจะรู้ ก็มาพรมไปเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญารู้เห็นเขาใจราบซึ้งว่าโกโทความทุกข์นี้บาดใมนันอยู่นี้นี่เขาใจทุกข์เพรเคลื่อนเพราะไหวกก็พอแหงแล้วจิตตาอาร์ตหายใจเขาหายใจออกก็ทุกข์ก็พอแหงแล้วจัดเป็นทุกขังเป็นนาาิจังเป็นนตายแล้ว เพราะมันติดอยู่กับรูปกับนามพันธนี้เอาออกไม่ได้ เ, เองสิหายใจเขา้าหายใจออกกัเป็นทุกข์เลยกืนน้ำลายผ่านเข้าไปในลาคอกับเป็นทุกข์กลองทุกข์เป็นทุกข์จริงจริงนี้เมือเ่อไหยทุกข์ไหนพพทสอนให้กหนดรู้ในอรปยาบททางชื่อทุกข์และให้มีสติกหนดรู้ในอรยาบท ย, ย่อย ผูเยียดเชื้อไหลเนี่ยเ่งแตกเมื่อกําหนดรู้สิ่งนี้แหละก็เลยเกิดงานปัญญาของวิปัสนาเกิดขึ้นเลยเลิกใดตั้งแต่มือนั้นมาถึงมือนี้นครับเลิกแต่ผมต้องไปขอร้องอ้อนวอนผู้ใดว่าพัฒนาให้หมดที่เรศหมอผมต้องพัถนา น, นี่แสดงว่าผมต้องขอรองถ้าพ่อแม่ที่น้องเคพื่อนผู ต้องการจห้หบดที่เดีวจะต้องเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาเข้ายางของวิปัสสนาเกิดขึ้นวิปัสนานี่นั่นโตสติโตสมาธิโตปัญญาสมบูรณ์แบบนี่เลยครับมือหนึงกับมหนึ่งมันันแบบมือเพิ่มเตี้เทียบอีกันทางสูงเหม น, นี้ว่องลอยโย์สูงลอยโยต์มืนอีกตัวนี้ ล้อยปีพอเมืองคนจึ่งเป็นปีที่ของเทวดานึ่งฝีนวะ่ะแล้วยึงมีเทวดาองค์นึงเอกเท า, าอ้อนๆมกพูดมาปัดใหาดอยให้ภูเขาอันสูงลอยโย่นั่นเนี่ยตั้าลงมาหน้าเหนียงเทียงนามผือหน้าหองนี่ก็เป็นกับ น, น, น, นึคือกับแล้วมันก็เป็นมันก็เกียงได้านาดยองจุมโพนาเขาเนี้ก็ลอผมเนี่ ข, ข, า ข, าขามักจุดไป ข, ขุดปีนึ่ไปขุดตัทนี่งีนึงจะขุดอีกเบาทหนึ่งร้ยปีเขามาขบถหาพวกเยี้เขาุดปีหนึ่งีนึ่งนี่นะ้งร้อยบาทพันบานขุดต่ขุดสองมันกันยังบวหาพวกเยียนทีว่าอย่าง่จะูเขาพวงรอยยดูงยหยดอันนี้แสดงว่าเขาจังบ่ถูเขาบอกเขาใจ แล้วปฏิบัติมันก็ไบถูกมันก็เลยบอเขาใจคนมันก็เลยบอกออกมาให้เขาได้รับแวก็ไม่ได้ขอร้องอ้อนวอนให้หมดกิเลสให้หมดจากโทสะโมหะโลภะไปหมดแค่คนแตจญาติเตลึกวมทุกข์ห่วงบุญซ้อนใส่าแล้วมันที่มาจับเชื้อเพราะเขาบอกเขาใจอันทู้เขาส่งสู่กระไมยถึงโตโทสะ โตโมหาโตโลพาเนมันสูมันสูงแท้แท้ว่าสามารถที่จะทว่ใสปตัดมันได้ว่าสามารถอาจุกเอาเกลียยไปกุดมันได้ท่านให้เขาจเจเริญสติเจริญสมาธิจเจริญปัญญานี้หรือวะเมื่อเจริญสติเจริญสมาธิจเจริญปัญญาใน ปัจจัคือความจริงเฮานี่คิดมือคลื่นอย่างสุขวารู้สิบตัวควบ ม, มือลงรู้สิบตัวสิดฝาปากหายใจเขา้าหายใจออกรู้สิบตัวควมรู้สึบตัวนี่เนี่ยที่แต่ไรปวดรู้นั่นนี่ควมรู้สึบตัวนั่นเน้นย่างป ต, ต, ตูสติโตสมาธิโตปัญญาที่จริงวะอย่างรู้เขาบ่กมีสติ บุคคลสมาธิก็มีปัญญามือนที่ดูบอรู้ยู้อันรู้อันนีมันทำนั่นแบบรู้แบบพระพุทธเจ้าถระพุจ้าเป็นสอนแล้วเป็สนสอนแล้วการทําบุญให้ฐานลักษาสิ้นนั้นหรือเพื่นมาการทำบุญด้วยอาบิสักบูษานั่นจะหนาแน่นตั้งแต่พืนดินที่ทอดอาคเนธาผมนั้นกระบ็นคือวาได้บูษาของพระพุทธเจ้านะจน มาได้ปุษาพระตาธาโคดงถ้าหากผู้ใดที่ปุษาพระพุทธเจ้าหรือปุสาพระตาธาโคดงสองปฏิบัติอย่างที่พรุทธเจ้านั้นต้องปฏิบัติทำให้สมควรแก่ทำรู้ธรรมเห็นธรรมนั้นคือว่าปูษาพระพุทธเจ้าอย่างยิ่งขึ้นแล้วกาปฏิบัติตามพระพุทธเจ้านั้นปฏิบัติอย่างไดแต่นั่งรักษาจิตยู่แต่ภาวนาขุดโพยู่ นึอไปดูท้องของทองนอยูไปดูบนหายใจยูอันนั้นชื่อว่าเขาได้ปฏิบัติตามพระบุรเจาเล่ตี้อันนั้นแม่ยูความคิดของเขาเพราพ่ อ, พอแม่ปู่ยาาา่าตาทวดเขาตอนครูบาอาจารย์เขาตอนเขาโปรู้เขาจึงทาตามเพิ่นพระบุตเจ้าคือกันเพิน่นโปรู้ก็จึง ท, ทำไปตามเพิ่นเขาเคยได้ยินว่า พระพุทเจ้าบวชเสร็จแล้วไปอยู่กับอาญาณสองอาจาย์คืออาลาดาบุตุทักาดาบุตรสองอาจาณนี้เรียจน 8, ยยได้สมาบัตเตอร์ที่ว่ า, 4, อ, า, าอย่างไมาบัตเตอนั่นกลุกสาี่อาลูกานที้คนนีเขาสานออกสานไบ้ล้องแผลวองให่เหมือกบอาารบดา์ทุกสิ่ยงยาเมื่อเมือ่อกระดาษอาจารย์เขาบอกว่าหมดขุมรู้แล้ว เขาประกาศศาสนาความรู้ที่เลื่อนจากเหล่านี้ให้โลกเขารู้ต่อไปพระพุทธเจ้านี้บุคคลใส่บุคพลไทยนี่บุคคลีทางดับทุกบเมีนทางดับทุกแล้วาะนั้นเขาเข้าใจว่าเป็นคำตอบขงพระเจ้าเลยทีมันก็แน่นที่ยางอันนั้นเพราะว่าพระพุเจ้าอย่างบุได้เจ็นพระพุทธเจ้าเที่ยทํารืว่าเป็นพระเจ้าแล้ว แล้วทิจนาอ่อนเฉ่งที่กมวานี้บได้บอกให้เชื่อบอกให้ชุดให้พิจณาหาขวัญจิงขึ้นชื่อหับัวหับัวสายแล้วหับัวกกลัวการเกิดทุกต้างแล้ที่มื่นไ้ที่ถ้าพุทเจ้าว่ามีมือต้องมีสว่างมีเกิดก็กต้องมีตายเป็นอา้คือบัวเกิด ต, ตัวตายนั้นอยู่ใส่ นี้โบมือกันอยูใส่พันตรอกอะไรสิว่าเขาพูดอะไรเมื่ออกอกจากพวกอาลาดาบทุสก ก, กาแดบทนะกามอดเขาอดน้ำพวกกินเขาพวกกินน้ามาดูลมหายใจว่าเป็นลมหายใจนี้เป็นกินเขานี้เป็นกินน้ำนี้มันยังมีที่เลย ก็เลยมากั้ลมหายใจบกินเขาบกินน้ำบกพูดบกอุ่กับไคเพราะต่างชัติบางที่บางหน้าก็เป็นผู้ประรับบำบึงอยู่อะไรเกินเกลื่อนสายตามปกติคนบกินเขาบกินน้ำบกพูดบกุ่นนี่มันต้องเจอยต้องอมต้องแบเขาเคยเห็นบอเห็นรูปภาพเฟื่องมีเส้น่งเป็นกระดูกนัหนึ่งกันไว้ใส่ใส่มาใส่บได แม่อันนั้นกับกะแดงว่าบุูกทางแล้วได้บ้างบุตรผกทางแล้วบุได้เป็นพระพุริเจ้างย่น่นเพื่อมาเลิกละอันนั้นมาขึ้นมาขับวพ่อมาข้อหมอนนี่เมื่อมาขึ้นมาข่าวพ่อมาข้อหมอแล้วแบบนี้พวกปัญจวัคคีย์ปัญาธัญโคนธรรมญาลัทธะปฏิญาอาชาติมหานามาอ้าคนนี้เป็นลูกมหาศระสาททันนั้น ธรระโค้นธรรมะนั่นก็ได้ว่ า, า, เ, า, าเป็นหมอนหมอนักหมอนทายเมือบบม่อคงจะเกิดมานั้นเาที่ได้ตัดะรู้เป็นของผู้ใ้ออกมั่วตาออกปฏิบัติตามเป็นหย่นั้นเดินดงสีราบทอยู่นะครับอันนั้นกน็เลยเลิกละความเพียรนั้นผูนีก็เลยขายความเพียรโเลื่นใสเาทีไ ม, ม่ได้เป็นของผู้ใช้เอ่ย อันนี้ก็แสดงวาบทุขังางี๋ยวออกเสียงสิว่าบทุขทา ง, ง, ง, ขางตาสาไม่อย่างรับสิงปะ า, าไม่อย่างถือสุ่ตาะาะไม่อย่างทำกรรมฐานทำคนามสงบเดีดมันมันโบทุขังคำโบทุกข์เล่นกับโบทุกข์เลยให้เราเข้าใจนะครับบนี้เมื่อเลิกจากสึ่งใ น, นกรรมมาจึิงเข้านางสุสดานีม่มาจึงเข้านางสุสดานี่เละ แล้วก็เลยอ้วนท้วนสุขูนทาบนางสุตดากราสิพวาจะเขาหรือทิ่พ า, าทั้งหมดนี้นางก็บอกว่าพทั้งหมดเมื่อพลายทั้งหมดแล้วก็เลยจับเอาทาบเอาขัดมันสาธิฐานไม่หวงตามนน้ำจนแวถ้าพีกลับูปเป็นพระพุทธเจ้าวางภาพวางขัดอันนี้ลงไปได้ไมวกระแซาออกน้ำขึ้นไปถึงต้นแล้วทางตรงกันข้าบ ยิบุรุ้ตับรูร้บุรุษเป็นคนสี่เจนาขี้าะท่านเปเหาก็ตามกรบตัวท่านนะเขาบอกเขาใจว่าเนาะไปยกขวัวกับตัวหนะ้องนาำแล้วก็เลยขึ้นมาบำเพทางจิตเม่การบำเพ็ญทางจิตนี้เขารู้เลยที่นิพพวนรู้ถ้าหากคนรู้ลองศึกษาต้นทนากันให้มันรู้เรื่องนี้แล้วก็เลย ได้ตัดสันวูเป็นพระพเจารปวชทั้งหมดเนี่อันนี้ที่นางกุทสีมาเล่าสู่กันคำว่าตัดสตวรู้นี่จะหมายถึงรู้ขึ้นขึ้นอย่างโบเคยรู้เขาใจขึ้นขึ้นอย่างโบเคยเห็นเห็อันใดถึงชีวิตจิตใจของเขาเขาก็ต้องเห็นึ่งิตกิตใจของเขาต้งอย่างที่ทุกท้อ ถ้าเขาบ่าเห็นชวิตจ ข, ของเขาเบวุกทงเน่ารนานน้ำควรกระแสดของน้ำเ็นกับไมงควรกระแสดของฝนจนี้แล้วถ้าเขาใจว่างแต่มันคิดหนักขึ้นปบคิดหนักขึ้นปุ๊บนี่เนที่นำมาแล้วให้ฟังนี่พอที่จะเข้าใจเรื่องจัดไว้ให้ปฏิบัติเอาเลยมื่าเห็นว่าวเป็นของแท้เป็นร้านมันมีมูลคุ้มค่กับการค้ากันครับ เองที้สองต่ไปถาเขเข้าใจดูประจักษ์แล้วมันจะเป็เราหมดส่งนั้นแหละตไป้เขาเข้าใจและ่องนำไปปฏิบัติปฏิบัติเข้าสู่น้ะห้าจังบอกเข้าใจแล้วตามประทำของเราที่ว่าหกสองที่เราสองสาม ก่อนแล้วเขาเดินสติจเจริญสติจเจริญธรรมะให้งานของที่พัฒนาเกิดขึ้นงานของที่พัฒนาเกิดขึ้นมันเปวาดูแจง้งดูจริงดูแ ล, ล้ ว, วาาตั้งเกาล้วงภาวะเดิมคำตั้งเก้าล้วงภาวะเดินมันก็หมดความสงสัยตรง น, นี้คมอาญุตี่ิบอิปหมหมดความสงสัยแท้บอกเออเพื่อน ก็คำพูดคำกล่าวของคนให้ที่่าจังแต่ตาตางเพอตัวตตอเองรู้แจ้งรู้จงเข้าใจแจ้งเข้าใจจึงนอกจากต่างก้าว่วงภาวะอื่นแทนอันนี้เนี่ยที่จะมาเราสู่ทางคือเราต้องการคำสอนของพระพิจารณาเอาว่าเข้าใจเอาให้ตามปุถุชนให้ตามภาสนามของปุถุชน พรานาของุรุทธ น, นั้นเกิดที่ไหนปูดฟุชนแตผู้หนาแม้แต่ผู้ไม่รู้ย่างที่ให้ฐานรักษาเกิดมันมีมาค่อนแกพระพเจ้าอย่างพระธรรมเกิดทำกรมาฐา น, นมันมีมาก่อนแกพระพเจ้าอย่างพระธรรเกิดขึ้นในโลกมีกระโยงกันกระโยงกันและหาปราพธนาเอาสวัสดิ์ในา มันนั่งคุยว่างเอาไปตามปู่อุศน์บน่มีูรูแจ้งเหตจริงมาสอนเมื่อพรเปเจ้าคนได้ตัดกะูกเป็นพระรย์เจ้าแล้วนี้เป็นมาแฉมาสอนของจริงขึ้นบ่มาลอกหลวงขนบ่มาโกหกขึ้นบ่มาพูดเท็จโ้หกลอกหลวงพูดเท็จนี่ขับเดียวกันนแหละพวขวางบ่จริงนั่นแหละเนเอโกหกลอกหลวงพูดเท็จเป ว, ว่านัน เขาบอกว่าสอนจำได้สอนให้เจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาให้มากมาเจริญไปญว่าทำมากมาคนนั่ทำน้อยผมอ่านมันคือนักธรรมเต็นเอกธรรมวิจารเป็นคนรู้ น, นักธรรมเันเอกนาคือแปดสิบกวก็แต่ว่าผมกำบดได้ครับผู้ที่จเจริญสติสัญญาคืออย่างถูกต้อง ติดต่ อ, ต ก, อ, ก, อนน ก, ตกันเหมือนลูกโซ่ ม, ะะมีอันกทรงสอบประการติดต่อกั น, า น, าานเหมือนมูโซ่มาในเชิงบวกข้ามสัญชาวช่วงนะครับมีอันกทรงสอบประการหนึ่งเป็นผ้าอลังการถ้าพูดนึนผ้าอลันกาในปัจจุบันทราบนี้นี่แหละต้องเป็นผ้าอลังการนี้นะคําผ้าอลังามีลิขวันลาสั้นสีสั น, นแลวก็พอเน ปูบาจามปูย า, าตาพวดประเสริฐ่งลเป็นพระนักามนีไม่ไปเกื้อช่วยในรู ป, ป่าแตนิีผมเหมอันและรัดขมคนทั้งตัดได้ไปในฐาน ด, ด้ยดันั้นนิทานนิทานในทุกคนต้องการเอาตับเขาบาดเพื่อนเนื้อต้องการสวัสินิานไปรักษาตีเพื่อนเนื้็ต้องการสวัสดินิทานไว้ทาชวดหมนเจริญธรรลำพังก็ดต้องการสวัสดินิทาน เขารู้แล้วที่ระหางี้เขาอยูดใส่เขาตายได้ยังเอาที่ทําตายแล้วมันได้เปล่าพันธุ์เนี่ยพ่อแม่เขาตายไปแล้วเกิดเกิดใหม่มาเขาจะเสียบอ๋อพ่อแม่ได้ทาบุญอย่างนั้นอย่างนั้นแต่เกิดสะหว่งตนนั้นตอนนั้นต้องเกิดเกิดใหม่มาออบอกตายไปกันแล้วที่เขาทบุญหาพ่อหาแม่เขา่นได้รับอ๋จักบุญจากพระบาบม แค่แม่เขานี้แหละฮะเขาที่สุดเหมือนกับลูกตาเขานี่เกิดมาดึง น, นมแม่ของพ่อขห เ, เขาเข้าตัวปากผมเห็นด้วยตาผมผมเินไม่นะพูดเลยอาหารที่ดีๆพอกินเข้าไปแล้นิ้มมือมันจะถ่าวออกมาให้ขัเข้าไปแล้ ว, ก, าา ก, ลวลก็จอดเทาไปนทางที่สิดๆผมลูกยาบนเขาท้อทผม จะคว่ำขดปูดสูบสิ่อย่างเกดมาแลได้สูบยาไปทานานเป็นเมื่อเช้ายื่นจอเหเป็นบอกให้เอาพกยาไปใส่จุดเมื่อเอาพกยาไปใสไปจุดแล้วแต่มาเป็นเหมือนมอดใสหลายเคลือบลไปให้ตามึ่อาบดสูบมามันก็สูครับสูบมาแล้วเรามากมเม่อย่างก็บรรจะกสิดงอย่างสูบยาเป็นขอหัอก แล้วันไม่เคลีามาก แ, แม่เขาสอนแต่เอาอันนั้นมาให้มไปสืบอ่านนี่แไมไปแ่จีบมากเคลมากใ ห, าากใหคุณจีบคุณเคลวคุณบบเอ า, า, าของก้อนพกนั้นแบกให้ใครเคลวเขาเองเนี่ยนเาจีบคนบุญกุศลว่าสิงนั้นจนีนบคนุนั้นเขาทาตามเพื่นมาเนี่ย มนันสือกะลลามาสูดบอกแล้วอามนสุอกะลลามะสูตร อ, อย่าตเชื่อที่ซึ่งที่เขาพูดตามตามกันมาันาดคิดเพราะจำบอกให้ได้ดีก่อนแล้วก็ยาตเชื่อทือเป็นเนาเขาเขาทำตามตามกันมาแล้วก็ยาตเชื่อที่เนว่า เราเล่าลือกันมาทางบ้านทางเมืองแล้วแล้วก็ญาติเพื่อนเห็นว้ามันมีสารสำหลักสำหลาน่ครับเป็น่าหลายย้งทีเพาะไปอานเอเองผมจำบุกไได้ผเป็นคนจําครับเกี่ับผมว่าเือนยังเปนให้เพื่อเนเป็นมาให้ดูแก้ดูสิี่แบบ่าถือคนได้เป็นย่างดังนั้นที่จะนามาเล่าสู้กังนี่ก็ เอาขุมสิ่งมาเล่าสู้กันสั่งพอหาต้องการขุมสิ่งขึ่งที่ผมรับรองได้ผมที่นามาเล่าสู้กั่งขึ้งใดผมรับรองคําพูดของก็ได้บอได้ผมบอกมาเลยทุกขึ้นทุกอย่างการเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาแทบปิดปผกนามาเล่านํามาทําสู้พอสู้แม้ทีนอนเพล่ยนผู้สั่งในรับรอง ไม่ผาดผู้น้อยจะได้ผู้ง่จะได้ผู้เท่าผู้แก่จะใส่พักจุกขุนรับรองบอกว่าไม่ตกินตาตรู้จริงจริงเขมเห็ุดสีเลยมันจเจริญสีิแปดพระปริยาวานันทนเพชรดาวหกสีทนเหืเเหมอมาแล้วหกสีเป็องบกเป็นอย่งนี้ทนบุญมาหกสีเป็นอย่างนี้ท น, น, น, นเบิเกไวเจ็ดสีสักนะเก้ตานนี้หละเอาทาน้อย อากาศพืจุดเสือมันดีต้อกันเหมือนลุงโต้ในัแล้วก็บที่ปรนญญาพิเศษจุกนมัยอันนี้เจริญกระตือแดดบุลามีทิศมือขึ้นทัวมือลงยกมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลังเอียงซ้ายเอียงขวาพมเงยชิดปากค้าปากหายใจเข้าหายใจออก จิตใจมันไม่มันคิดให้รู้สึกตัวทั่วขบเอาช น, นะมันมันได้ทุกคังทุกข่ายอันนี้รับรองบอกว่าไม่เกินสามปีขัอย่างย่างางปีหนี่สามร้อยสีสิบห้าล้นย่างไวที่สุดเมินแผลๆครับอันนี้เอ้าใช้แต่เดี่ยวมือนึ่งพวกเกลื่อนติดมือรับรองไวครับเรื่อ ง, ออ ง, ร, ร, งรู้จักรูปนามรูปคำนามรู้จักคำะนี่รู้จักเธอ แต่ให้เจริดจิงๆด้วยครับเคี่ยวฟังขับพูโบไม่เคี่ยวฟังผมให้เคี่ยวฟังวิธีปฏิบัติแท้ตั้ง อ, อกตั้งใจปฏิบัติแท้หลับหลอกไม่พาสิ่งสิ่งเรื่องรู้อย่างนี้แล้วก็ิเลกการรายเลกการดูรืกนงามงามนีโบย่านสีบย่านลกตัวหนอตัว แม่กับโบยานเทวดาด้วยโยานไม่เห็นพว่าหูจับหูจักทื่หูจักเทวดาหูจับลงามยามีมีหูทีตท่ตดที่เน้น้อ ย, อยเุิดขึ้นตนีเร่าหูตา่ตัดที่เนน้อยอ่างพวกนีน้หูที่ตัี่ใ่นี่จะเล่นเด่นเขาเคยได้ยินวะระพุทธเจ้าตัลูุพ่อการทำทัง้งที่ทำใจเมื่อวานนี่แต่ว่าสู้กันใน เมือม่อเมื่อทะเลที่สวยโอกาสต่อจากทางสายดยลจากเราเมื่อหลานนี้่อเลยการทำทางจิตทางใจนั้นทําอย่างไงให้เอาสติมาดูใจใจมันคิดเอาโบเคยรู้มันจะเพียหกโบเคยรู้เคยรู้จะมันคิดอันนั้นคิดอันนี้คิดคิดให้คิดนาคิดหัวคิดส่วนกุบด้านเตือน คิดหางเงินหาทองคดเสร็ส н, ส н, สแ้วหัเห็นว่ามันคิดมาอยากใหญในขณะเมื่อมันคิดป็นโบสในคิดแล้วก็ทาบุญให้ทำปาธนาอยากมันลีเลสไปกผู้หุ่นผู้หุ่นผู้หุจาก็คือว่ากีเลอรก็กคือกเลสกี่นเู้หุ่นแต่ผู้หุ่ว่ากีเลเราทาบุญแล้วก็ปาถนาให้มันมกีเลมันกีเสจะเือบยก็กเลสกับตัวเขาดูดยาเน่ สองคท่ามากอันนี้แบบที่ดูทำมาด้ยรักที่ดูดมันใจมันยากใจมันสิ่งที่เลกมันอยากปลูกยาใจมันยากผมเป็นลูกอันนี้ยากเลยใจมันยากใจเ็นสิ่งที่เลตัวใจตัวแท้นั้นมันก็ยุ่ิสิโตมันมาทาให้มันเศ้าหมองท่านะครับนี่แหละสิ่งที่เป็นเคื่องกจัดที่ดูดอย่างหนา สมาธิเป็นเส้นต <a breathe> ัดจัตุรัสอย่างต่อปัญญาเป็นเส้นตัดจัตุรัสอย่างละเอียดเท่านั้นเมื่อเจริญสมาธิเจริญสมถธิเจริญปัญญาน้มบุญแบบแล้วรู้จักเถอะจิตุรัสอางาจิอย่างตจิตุ่ละเอียดครับคือทอแมกีนอเสวนผูมิังปราดยวดีนี่จิตจได้เป็างผลบางอาจิจำไ่ได้ เพราะว่ามันพวมีงามปัหนาไม่เฟังเสียงหูจับอาที่ะคะือเมื่อครับปฏิบัติจะอาจจะเข้าใจก็ได้อาพิเรนก็ได้ครับงานงาที่เดยังงา น, านยนงังน้าพิจิตรโทรสากนี่และครับโอ้เวียรแมนแน่ใจโทษงครับโพสากเพอขึ้นในขันแบบี่เดยังงนยัด่าพ่อด่าแม่ด่าอายด่านอง ญาลูกญาเงียนทะเลาะปิเกี่ยงกันเพราะโสดาเนี้ยนะครับโมหะเ่ยขึ้นไปเพราเขาบุกุจักขวัญิ้งครับเขาจริ่มฝ้านะไปเจอเขาวยากตายแ้ะเรัอยักได้บุญอับเลยบุญถึงบุญพาะโมหะนี่เองโมหะนี่กเขนี่ยลงความลงความบุกุจักความบุกเข้าใจตนเองโมหะบ้านเขาเดียวว่าหลงว่าหรือ หลงลืมกับโมหะ เ, เดีย่ยว เ, เดียวคับเขาบอกเข้าใจเนี่โะโลภะแต่เป็นหวงอยากอยากเป็นอัันอยากเป็นอัน น, น, น, น, นี้อยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้อยากได้แบบมันได้บ่บ่ได้อยากเปนก็เป็นบ่บ่เป็นมันเท็บได้ทำได้จึงเปได้ทเทิดบได่ได้ทำบ่ได้เป็นบ่ได้ ไม่เละเป็นว่าฟังให้ตื่นฟังให้ถูกปฏิบัติให้ถื่นปฏิบัติให้ถูกเมื่อเหตุตื่นเหตุถูกปฏิบัติตื่นปฏิบัติถูกแล้วคนเข้ามับกับถูกต้องลงในเรือนจำดเนินสติดำเมินสมาธิดำเนินปัญญาแท้ซึ่ตหัวรู้ติดหัวอยู่เรื่อยครับมาดูดูความจริงรู้แล้วที่บอกครับพนหลงคนหลง มันขึมือหูทิศตาทิาทาศขึนนนขนขน้นหัวครับบนนั้นหูทิศตาทิกเขาเล้าอยู่ที่อื่นได้ยินเขาพิชิดที่อื่นเขามองเึ็นบนเรือนอันนั้นเช่โตเฮานี้กำลังทำกำลังพูดำพกำลังคิดนี้ตาทิศนี้หูทิดอะไนี้เขากาลังว่ายไปอยู่ีนี้กำลังฟังผมไาอยู่ที่นีนี่แหละธรรมะการ น, น, นึบการอื้องกาติดเพื่อมันก็หัจใกมันตื่ นน trend, ment, poetry, avia, so ั้นการทาบุญการให้ถานการรักษาพิมพ์การทากรรมฐานมันดีแล้วอะไรแต่ผมม่คสอนอะไรระเด็นแลวบ่มเรค่าแม่กระทำฟ้าผบุญเสียตก่อนผมก็เชื่อจังทันมาแล้วเชื่อมาแล้วต้จงรอจากทองแม่พุ่นอะเกิน่งอนี้ที่สิบหกปีมาที่ซึงามาลูอันนี้เมื่อมาลูแล้วกเชื่อย่านี้ผมเชื่อซึงที่เรารู้มาใอี นั่นแหละเป็นอยากจเชื่อถือโดยเขาพูดตามกันมาอยากเชื่อถือโดยเขาทําตามกันมาโดยที่เขาเชื่อถือตามคําพูดของผู้อื่นมาว่ามาเชื่อถือที่เขาเห y, s, lyn, y, to y, ็นเพื <unda> ่อนทำไมทําตามเท่านั้นชื่อแล้วก็เชื่อถือว่ามันมีอยุติธรมมันสือตามใบลานเขาไปอ่านคดีนั้นชื่อแต่ว่าเขาไม่เชื่อตัว เมื่อพูดถึงตอนนี้ก็มาพูดถึงเรื่องตับตับนั่นสำวองลอยโยตหลุดลอยโยตร้อยปีของเมงงงื่อคนจึ้งถึงตีพิสุทธระวดานึ่งสีติวดาเสียม่อเมงนาไปที่นี่ครับเป็นม้าเสียเสีย ง, งานาสีนจิตจิตตัดหนึงนน่งถ้งาไม่เงเขามีสติสมบูรณ์นี่แหละจิตใจเขาก็เทียบเียนใจดี พัวมีผมจิตษารุกข ย, ยาเรียกเดียนผู้ใดอยู่ชื่อผู้ทื่อตรงไปตรงมาเม่เหน็ดเนไงการชื่อศัพด์เป็นศัตับของคนนีเป็นไงเกิดมาทั้งผีเอาดูกับตัวเองเทนั้นได้เ็รู้ให้มีผู้ว่าดีนี่ไปให้มีผู้วา่ามาตายไปให้มีผู้สุดถึง อ, อันไงทม่นของจริงแทนครับ ที่ผมนำมาเลาสูส่กันรู้กับบุตรีนี่ไปก็ บ, บีผู้ใดคิดตายเปกับบุตีผู้ใดว่าขางติดเรือดีบ่ดีแล้วของผูดีมันเป็นองค์ธรรนี่แหละท่านจะเดินสติมันสมบูรณ์นึ่คือมันเกิดขบได้เพราะโทต้าโมหะโลภะเกิดขึ้นบได้คือเลิกตัหาขึ้นบได้เพราะมันสมบูรณ์แบบแล้วครับ นี่ติบอย่คติดขึ้นแบนี้ขั้นารกทางอ้วนทางสูง่บบนี้อ้วลอยโยตสูงลอยโยด์้อยทีทองเมืองคนจึงเป็นตีทิ่ย์องเทวดาหนึ่งตีเทวดาจึงออกเผาอ่อนๆมาโวดมาปักให้มันดอยอันนั้นตามฮาบลงไปอันนั้นมันที่หาบได้บอกฮาบตัวใดเขาได้บ้าจับเกือแล้วฟังเทศฟังธรรมจับเกือแล้ว รักษากทิ้งกระเธอแล้วเต่าบล็ผมโกดผมโรคผมหลงเต่าบลบลอกเต่าบล็อกชื่ อ, อ ว, ว่าฮั้ทุกเนี่ยตัวทุกแสดงว่ามันยังสูง้อยู่ต้งองรอโยู่กัโทสะโมหะโลภะเนี่ยสู้ขันลุกไปวางให้กับพวกจั บ, บจ ก, กูเป็นพ่อมึงดิสเน่พวกจับจ ก, กูเป็นแม่มึงดิสเน่ครูบาอาจารย์เกษตรจันขันลุกจิตลูกหาไปหาครูเป็นครูบามึงครูเป็นอาจารย์มึง กูบวดมาทนั้นปีเขาด้เรียนเนะี่ยกูได้ศึกษารลเดีย๋ยอนั้นเนีโธตะโมหะโมฆะมันตกนะเอาเมื่อดังนั้นพลังวารอาการเกิดับนะรับมาใโสโยคตยเพราะว่าวางให้สำหรับเทีมเยมผู้ไดเีิดมาลอยสีหากโมลูอาการเกิดตนะับนั้นชีิตของผันเป็นนันเป็นโมฆะใครบได้ประโยชน์ยนะัง ุคคลเกิดมาเพียงวันเดียวมันรู้เห็นเข้าใจสายเกิดแบบนั้นคือลูกของบุคคลผู้เกิดมาวันเดียวดีกลัวมีปดดระโยชน์กลัวบุคคลผู้เกิดมาหลายปีนะแล้่เกิดมาผู้เดียวเนี่ยมันเกิดมาเมื่อเดียวนี่ยมันง่างเกินกว่ทุกทิ้งทิ้งโซได้กว่าโซได้แม่เขาต้องเข้าใจจังทีเขาต้องเข้าใจจังที เกิดมาเมื่อเดียวทุกอย่างหเขามาเจ EN, ริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญานี่แหละมีผู้รู้แจ้งรู้ที่มาเวา่าวตู้หอบสาเกิดเมืเอ่อนั้นแหละเขาเข้าใจเมื่อนั้นเล ย, เเเล ย, เลยตั้งอกตั้งใจเรจริญสติเจริญสมาธิจเจริญปัญญาให้ดูให้เห็นอาการเกิดดับนี้อยนน่างไบอกเลยวาเขาคิดเมือขึ้น ม, มันเกิดคิดเมื่อลงมันดับทุกตามันเกิด เลี้ยเล้ยวมันเกิดหลับลมันดับโวเมนจังกันนะครับอาจะเข้ามันเกิดอาจะออกมันดับโบเมนจังกันอันนั้นมันเกิดดับสมมติมังเกิดปฏิภาสต้นิคนมาผู้นึ่งบวชมาล้อทางตาถ้าบวารู้บวเห็นบวชเขาแย่การเกิดนับคุณค่าของการบวชผู้ท่านกับจิตมันเป็นโมัะใจบวได้บได้ประโยชน์ รู้นื้อบวชมาเมื่อเดียวบวชเลรู้เลยเห็นอาการเคยจาบคุณฆ่าของการบวชของผู้นั้นดีกลวมีประโยชน์ผัวผู้ที่บวชมารอยีเนี่ยอันนี้เขาใจอย่างไนร้อยปีคุณเนะี่ยดว ด, ดีถ้ที่บวชเมื่อเดียวนี้อันความรู้ของถ้ามุนเจะาเป็นตัวแทนของผู้เขาเของเขาจะอาจารเคยจับมันเป็นซึ่งที่สำคัญที่สุด อันนู้นำนำกลุ่มทมาเราสูส้กันมันมีจะงไเขาหนี่ยเมื่อทุกคนบ่มียกเงินผู้หญิงจะมีผู้สายจะมีเจ้าหัวก็มีไอตัว ก, ก็มีผู้เท่าก็มีผู้แก่ก็มีบวดก็มีบูบวชกันคือชาติศาสนาใดศาสนาหนึ่ง้าติเปลี่ยนอยนางตตามเป็นคนไทยคนจีนคนฝรั่งเศคนอังกฤ ษ, ค น, กฤษคนอเมริกา คนขเขมงคนวนคนลาวคนสามได้กระทาตามาผมรับรองได้ถ้าจเจริญสติแบบนี้แล้วรูท้ทำเห็นทำเข้าใจทำจริงจริงที่มีหูที่ีที่ทจริงจริงจริงจริงรับรองจริงๆเรื่องนี้รับรองจนที่ว่าเอาชีวิตสืนเต้นทำได้บนะครับเองนะครับ แต่ว่าตาชิดย่างผมา่านนือบุเมนตาทิเดเก็บมือหายเข้าใจกันไหครับผมเข้าใจว่ายู่คือคนหมวดนกระุินบุเมนเข้าใจกันไหมบุเมนหลังนี้เพิ่มิตในใจหอดีได้ครับเข้าใจกันทั้งครับคือผมว่าามอาการเคล็จับอาการเคล็จักนี่นครับมเข้าใจอย่างปี่าสิ่งเป็นเครื่ อ, องตัดจับคิดอย่างไร สมาธิเป so so so ็นเครื่องจัดสิรยางปัญญาเป็นเครื่องับจัดกิริยางหลยื่นหลายเทือลแหละเเลยนีแต่คงจะจำได้หรือจำหมได้ได้ยินไ้งบ่อยๆงการฟังคำพูดคำาเนี่ยมันมีประโยชน์ฟังนที่อ่งมยฟังอ่งนี้ขึ้นใดที่เคยฟังแล้วมันลงมานจำได้และออกฟังก็ไปทำผมเข้าใจต้องทำให้จิตใจัง เะหุเยลงไปคุณนะป็งเครื่องกำจัดจิตใจงา่ายไม่ถึงจเจริญสติเจริญสมาธิจเจริญปัญญาญานเกิดขึ้นวนะที่พัฒนาญาณด้นเนะ่โทสะโมหโลภโกรธเนี่ยันเกิกับพัจจันมันพูดจะทำสีโดนีน่แหละจิตใจง่านจิตเลือกตัณหาอุปาทาน โบยึดมันโบถือมันอะแบบนี้โบยึมันถือมันในสินในฐานอะไรแบนีนี่กิเลจร้ยงงายคันจะยุดมันถือมันในสินงในถานมันก็เป็นอุปทานเลยไหมครับนี่แหละเขบาบวชตายจะเขา อ, อยากเกิดมันเป็นอะไร้สิ่งปรากฏขึนมาล้เห็นลหมแบเห็นกิเงงลจร้ายข้อเขาจู่สู้อย่านี้จิตใจเขาสู้อนี้สูส้พวกข่ม โสะโมหโลภะโสดโมหโลภะนี่มันเกิดอยู่กับตนครับเกิดอยู่กับคนเกิดอยู่กับเทวดาเกิดอยู่กับอิทธิัมป์เราเคยได้ยินว่าเทวดาลบคำถ้าอินทร์ภมลบคำพ่อแม่ปู่า่าตาทวด้าม่นคืปเนี่ยลบคำเนี่ยลุ้มคำครับแต่ก็ทิ้งไปในโลกกา คาถาประแดดประเดิเดงฮอนอาหนังสือนั่นเนี่ยมันถึงนว่า ล, ลบเลิกกันเมื่อแต่เดือนมันคาถ า, าดีสากับลูซือกระเด็นกับยักเนี่ยเป็นไรก็หมายถึงคนติดใหญ่เขานี่แหละครับเมืนอกเห็นนี่ไปอย่างที่เลยเนี่ตาเนี่ยตอนนี้กิเดสจังการสมาธินาน ก, ากับจาตกิรลสทางกิเลสกัากับอาไป็นีุย บางคนก็ติดิีนติดฌาน1ิคนสงบนี่ยด้นัในพวกกามกรมเมื่อกรรมกามเปรวาญากามเปรตวิิทำให้เขาเป็นพวกสิงฌานเวลากามมาแต่งหาพรวรนค์จะาที่สวรนคา แต่เมื่อผมไปปฏิบัตินั้นผมรู้ตามาสาวะพยาสาวะอริสาวะสาวะนะตามาสาวะจบดวงนาของกาวพยาสาวะจบที่เร็วพบเหตุทราบคกอริสาวะพบว่าโมลูทาบโลูพบโมลูคุกเมื่อทาลายซึ่งเรานี้ไจนี่แหล่สมาธิจึงกบจัดจิเรียงการปัญญากำจัดสิเงละเอียด ยิ่เด็กยั่งละเอียดเป็เขาอยากเจออยากไปสลัดอยากไปมีฐานเขาบอกงูเขาบนเห็นเขาบอกเข้าใจมันเป็นอาดิษฐานมันอหอกงุ้มอยู่เพราเขาเห็นจิตเขเห็นใจเขามั น, มนึิคันจิตนเองเมื่อเขามาเบื้องจิตเบิ้งใจเขามันคิดปรุตึบปับรู้ตับหยุดตับเตมันคิดขึ้นมารู้ทันทีนี่แหละกามดำในทางจิต ทำให้พระโพธิเจ้าเปินพระโพธิเจ้าได้เพราะการทำทางจิตนี้ดังนั้นการทำทางจิตนี้จึงมีอันอิส่งม า, ม, ามีคฮามีคุณมาคมเกิดมาครับโบมีผู้ใดวางสั่เรื่องการเอาสถิติมาดูจิตวิญญาณผมเดินจมคมอยู่มือแหลกท้าย้ายือมีคนมาซุกค้างผมนี้สผมก็เลยลู้โอ้มันเป็นเมื่างนอ่อง มีคนมาทุบตรวนองเหนียวนออยผมซอขาบนเนี่ ย, นน ย, ผ, มยผมเดินกลับไปกลับมาทานั้นมันจะหมักตมพอางนี้มันต้มหมักขันโดยดูวางกลางมันแ ด, นดนแล้วเงามันพมถึงทากั น, กนเนี่ยวาอยู่ท่านมือสวยมือเศ้ากับวางอยู่ค่านคุดมาคุดนะมันคุดมันคุดขึ้นมาครั้งที่สองใ น, นผมรู้ก็ขับ น, นขเขาไป โอ้มันคิดแล้ครับโอ้มันคิดไปบางทีเนี่ยมันพูดจักมันคิดขึ้นมาพูดพสาเน่ยผมเข้าใจโดนครับโอ้มันคิดอยู่ทาเหมือนแม่ขับหนูไปเพื่ อ, อ, อมันบังโดนเอาจิตมาคอยดูบุตรพอดีมันคิดมาพุ่งงักคิดมาพุ่งเปดยุทุกครั้งทุกครั้งจิตใจมันเตี้ยนจากภาวะหนึง่งไปยู่ภาวะหนึ่งดู ให้ว่ามืดเป็นสว่างหนักเป็นเบาดำเป็นขาวหน้ามือเป็นหลักมือขึ้นมานึ่นีน่ครับเพื่อจิตจิตใจตัว ก, ก็เลยทำอย่งญญางไรบ้าดนี้มือเตาแบบมือเตาเดี๋ยวนั้นมือแหลมมือเตามาถีบเลยมือจับอากานี่ครอาการเอื้อจับนี่ผมเคยเหให้หมู ปลอินมูไม่งาเท่าสู่มมูใ่เท่าหลวงมูนี้แหละทุกคนที่มาเนี่ยมูไม่เท่าขาดเท่าหลงงมูเนี่ยพอเท่าเสิร์ไม่เท่าเสิดหมู่ลวงพ่ออินมูเนี่ยเอามือมากดฝ้ามือเขาเนี่พอออกเมือจะหัวพอเท่าง่ายเขาเนี่ยเนี่ยตด้เห็นทุกคนเนี่ยเอามือมากดฝ้มือเขาเมู่อจะเปนข่าวแต่เอางอออมันแดปอ่นี้เนี่ย็ มันเีืเมือนันมืโซนเนี่ยครับเจือเมื่อใคยไทยคือว่าเงาซ้ายนี่แหละครับเติบโตขึนมาเจือมันหดเขาเหมือนกับติ่งพืดน้ำยาน้ำปูนเนี่ยเตโตมันหดเขาไปยางไงนี่แหลยอาการเพศแบบที่พรทธเจ้ากนนลู้เขนเห็นเขนเข้าใจตัองเวลา เมื่อถึงที่สุดได้หยาญย่อมมีหาญมันเกิดขึ้นเลยครับเมื่อมันถึงที่สุดอันนี้มันปู้จักมันูกเข้าใจมันรู้จักวัฏจักร6ช่วงจบการลงเทียนี้นี่มันสร้างเกิดสางเกตุในคันทำูกครับหรือว่าคันทำูกและคนออกมามันได้รับถูกท้องรลดนี่แหละเอาอยากเกิดจะเอาบุอยากตายมีขี้ใหญหนื่อนุ่ ให้เฮาบัวก็เกิดคัาเฮาบัเกิดแล้วเฮากรบโ่ตายแล้วบัเกิดก็ะโม่เป็นโรคไข้เจ็บนี่อย่างแล้วเกิดขึ้นมามันก็ต้องมีการไข้เจ็บเจ็บหัวปวดท้องเต็มไปทั้งตัวเต็มคนบัเกิดจะไมนที่เจ็บหัวปวดท้องได้จังไงเนื้อแสดงล่เขาบอกเข้าใจที่นามาเล่าให้ฟังนี่เข้าใจจิตยากจะเกิด เขาบอกเพื่อนละครพรก็บธตายแบแท้ๆเลือรับเหลองไร้นี่แหละนิทานจะ่างนี้นิทานคือปกติกายปกติวาจาปกติใจโรคทุดคมโอ้กคมโรกคมหลงโกคเกิดโบลงโบหลุดันมีและนิทานครับจาตวิสดันุที่มันลกอยู่ที่ใจทัานิทานก็อยู่ที่ใจ